เป็นของไม่ดีไม่ดีด้วยเหตุนี้ความโกรกความหลงไม่ดีก็ไม่ดีด้วยเหตุอย่างที่ว่ามานี้ส่วนธรรมมีแต่เครื่องนาออกเป็นเครื่องนำออกท่านเรียกว่านิยานิกระทัมเป็นเครื่องนำทุกข์ออกจากสัตว์โลกไม่ว่าจะอยู่ในครอบครัวย่อมจะมีความทุกข์ย่อมจะมีความกระทบ ก, กระเทือน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 เป็นไปทั่วความราบรื่ดีงามถ้าหม่อเสมอไม่กระทบกระเทือนอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นความสุขในครอบครัวเป็นความสุขในรายของบุคคลบุคคลเป็นรายรายไปนั่นแน่ตั้งแต่เป็นเครื่องนําทุกข์ออกจากหัวใจของสัตว์โลกทั้งนั้นภูมิมุ่งหน้าจะปฏิบัติอัตธรรมเพื่อจะขนทุกข์ซึ่งมีอยู่แล้วภายใจิตใจออกโดยลาดับนี่ก็เป็นอีกประเภทหนึ่ง เป็นอีกชนิดหนึ่งแห่งธรรมที่จะเป็นเครื่องนำออกด้วยความรู้สึกอย่างนี้หรือด้วยเจตนาอย่างนี้เช่นหนังสั่นสอนพระที่บวชแล้วมุ่งหน้าต่อการประพฤติ ป, ปฏิบัติเพรรื่อลืถอนกิเลสออกจากใจให้พ้นระเสียโดยถ่ายเดียวแล้วการสอนก็เข็มหนวดกวดขันทุกด้าน ว่าหลักพระวินัยไม่ว่าหลักธรรมมีความขี้งวดกวดถันเป็นพิเศษเพราะผู้นี้ตั้งตั้งหน้าจะไปจริงๆไม่มีอะไรเป็นสิ่งห่วงใยแล้วมีแต่ตั้งหน้าเดินอย่างไรจะเดินไปด้วยความสะดวกราบลื่นไม่ติดอุปสรรคาขัดข้องในระหว่างทางจะดำเนินอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนพาทธานการสอนธรรมให้แก่นักบวชและคาวานนี้จึงมีความผิดกัน แน่ใจว่าเป็นมาตั้งแต่ขั้งพุทธการท่านยังสอนอนุบุพิกถาคือแสดงธรรมระโดยลำดับดบตามพื้นเพของจิตใจที่มารับการอบรมศึกษาจากท่านแล้วสอนธรรมอย่างเด็ดเดียวเช่นวกกวดขันแก่นัก บ, บวชหรือผู้ที่ควรที่จะรับธรรมประนิดนั้นหรือประเภทนั้นได้แล้ว จึงต้องสอนแบบเดียวกันกับพระเราจะเห็นง่ายที่ท่านสอนพระนับตั้งแต่ขณะบวชสอนเลยว่าลุกขโมยเส้นานาสนัเป็นต้นนะสั่งไม่ได้ไม่ได้ชี้บอกว่านั้นหอปราสานนั้นรามชมณฑเทียนนั้นตึกนั้นมีหารนั้นกุฏิสวยงามหรูหราท่านไม่ได้ว่ า, ท, าที่ไหนที่จะเป็นที่ทําลายกิเลสลงได้ สถานที่นั่นเป็นที่เหมาะสมสำหรับพระเพราะฉะนั้นพระองค์จึงต้องทรงสอนลงที่ลุูขุมูลมายซึ่งเป็นที่เปลี่ยวไม่มีที่มุงที่บังไม่มีที่อาศัยไม่มีที่ยึดที่เหนียวไม่มีที่จะให้ความประมาทเข้าไปแทรกสินอยู่ในที่นั่นได้เลยกั้งคืนก็ตั้งอกตั้งใจกลางวันก็มีสติอยู่ด้วยความนะมัดระวังตนอยู่โดยสม่ำเสมอในระบบต่างๆเถบไม่ได้นี่แหละเป็นสถานที่ตั้งสติตั้งความเพียร ท่านกินสอนอย่างนั้นออกอย่ากนั้นก็ตามแาป่าแทยเขาตามถ้ำตา ม, ามอะไรทัานก็ว่าไปจึงล้วนแล้วตั้งแต่สถานที่มีลักษณะคล้ายพึงกันมาให้ผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกนั้นมีความประมาทในสถานที่อยู่นี่นี่หมายถึงสถานที่สําหรับผู้เช่นนั้นสำหรับผู้มีความมุ่งมั่นอย่างนั้น จะพึ่ให้สมความมุ่ง ม, มา่นปาถนาของตนโดยไม่มีอุปสรรคอะไรมาขีดขวางนี่เลยคือความประมาทนอนใจความที่เกิดขิดข้านก็เข้าแทรกไม่ได้เมื่ออยู่ในสถานที่เช่นนั้นเป็นเครื่องปลูกสติปัญญาศรัทธาความเพียรอยู่ตลอดเวลานี่เลยก็มีทางที่จะหมอบลงไปได้ไม่ใช่มีทางจะกําเนิดโดยถ่ายเดียวเพราะนี่เลยก็ไม่ตั้งท่าจะกําเนิดโดยถ่ายเดียวถ้ามีเครื่องปรับแรงเหมือนกับโรคก็ไม่ใช่ว่าจะตั้งหน้ากําเนิดให้คนตายโดยถ่ายเดียวถ้ามียาเป็นเครื่องรักษาก็มัน มันเทาหรือหายไปได้นี่หลังจากนั้นก็เป็นนญาโโลปโภฉนังนิซ่าจะประชาอีกเลยเข้า ม, มาเชาวสมุทรแล้วอาศัยให้อาศัยกําลังปีแข้งของตนคือเที่ยวบินกระบาดขอทานข้ามกินอย่างนี้เป็นประจำเตนตลอดชีวิตขอให้เธอทั้งหลายจึงทาความมุสาอย่างนี้ตลอดชีวิตเถิดน่ะอันนี้เป็นหลักใหญ่ส่วนจีนกราฟที่เหลือเฟือทั้งกว่าปายเห็นมันตะนงังสลากกระพัดตัง อุเดชพัดงนี้เป็นตนน้นถ้าหลาง ก, ก็พาดกินข้าวม้วนผืฉันที่นั่งที่นี่ซึ่งเป็นของพิเศษเหลือเฟือน่ะท่านบอกว่าของเหลือเฟือของพิเศษไม่ใช่เป็นของกดเกยนที่เหมาะสมกับผู้ที่จะแก้ที่เหล็ท่า น, นหาโดยไทยเดียวคืออาหารที่บินถวบาทได้มาม า, มากน้อยไม่ต้องสนใจกังวลกับอะไรทั้งนั้นได้มาเท่าไรก็ฉันเท่าที่ได้มาพอยังชีวิตให้เป็นไปแล้วได้บําเพ็ญธรรมะทำด้วยความสะดวกไม่มีอุปสรรคอะไรขัดข้องเลยนี่ สำคัญในสองข้อนี้ออกจากนั่นก่อนดูกยาก็หันจะดองเลยน้ำมูดแต่ก่อนดูุยาไม่เจริญพอยังขี้เข้าไปนะแล้วการดูของพระผู้รับพระโอวาทจากพระองค์ท่านด้วยความเทิดทูนนำไปปฏิบัติ ท่านจะปฏิบัติตนของท่านอย่างไรถ้ามาไม่ปฏิบัติด้วยความเทิดทูนไม่ปฏิบัติด้วยความสนใจใคร่ต่ออัตถธรรมจริงๆแล้วท่านจะไม่ไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้ท่านไปด้วยความพอใจท่านไปด้วยความสนใจท่านจึงปฏิบัติธรรมด้วยความสนใจไม่เยอ่อยายกับความทุกข์ความลํำบากความขัดขัดข้องขดัขดขดืนหรือขัดแทนอะไรมีจิตใจกับธรรมที่มีความสัมผัสตั้มพันธ์กันไปตลอดสายเท่านั้น เมื่อเป็นเช่นนั้นจิตใจซึ่งจะเคยมืดดำมาเพียงไรก็ตามหากได้ถูกขัดเกลาวอยู่โดยสม่ำเสมอเช่นนี้แล้วก็จะต้องมีความสว่างสวยขึ้นมาเพราะได้รับการบำรุงวิเลธที่เคยกำ เ, กเกริบเสกสานมาโดยลำดับลำนาตั้งแต่ยังไม่มีสติกะตังที่จะหาอุบ า, า, ายแก้ไขเพราะนั้นแก่ก็ค่อยสงบในสงบตัวลงไปสงบตัวลงไปโดยลำดับสติปัญญาก็มีทางแกกล้าสามารถขึ้นโดยลำดับเช่นเดียวกัน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 ทำาิติใจให้ฟุ้งแล้วก็อทุกข์เป็นปืนเป็นไฟขึ้นภายในจิตใจตลอดมาหาความสงบไม่ได้ด้วยอำนาจของกิเลสเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ที่ไม่เคยบำเพ็ญธรรมจะได้ความสงบเียใจมาจากไายแต่เมื่อได้รับพระว่าจากพระพุทธเจ้าทรงประทานให้แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติตจิตใจที่เคยฟุง้งเฟ้อเหื่อมมาเป็นเวลานา น, านก็ก็เห็นมีปัญหาอะไร ต้องสงบตัวลงได้ในวันหนึ่งเมื่อจิตใจสงบตัวลงก็เห็นความแปลกประหลาดความอัศจรรย์ซึ่งไม่เคยเห็นมาในที่ไหนไหนนอกจากจะปรากฏขึ้นในขณะนั้นเท่านั้นนี่เป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ท่านท่านมีความตื่นเต้นภายในจิตใจมีความดูดดื่มมีความอัศจรรย์มีความขายันหมั่นเพียรมีศรัทธาความเชื่อความมุ่ง ใ, ในหลักศาสนธรรมข้อโดยลําดับเรื่องความเพียนก็ เป็นมาเองเป็นพลังของการละการไปโดยลําดับหนหนูกันไปเรื่อยๆนี่ทีนี้เรื่องความทุกข์ความหมากซึ่งเคยกลัวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรหมดไปหมดไปหมดไปเพราะความมุ่งมั่นต่อธรรมมีกําลังมากสิ่งเหล่านี้ที่เป็นผักเป็นหนามหรือซึ่งเป็นอุปสรรคควากิจฝังทางเดินมันก็ค่อยหายไปหาไปจางไปจางไปก็มีแต่เข็มคิดทางเดินเพื่อ อ, อัดเพื่อทำโดยถายเดียวเท่านั้นที่หมุนอยู่ภายในจิตใจ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 ความอดความทนอะไรๆมาเองชื่อว่าสิ่งที่เป็นมงคลเพื่อสนับสนุนความเพียรให้แก่กล้าสามารถแล้วมาด้วยตามๆกันมานะพระห้าคืออะไรนี่มาด้วยกันนี่ปัญญาความฉลาดแหลมคมก็ไม่เคยคิดแม้าจะคิดในทางอื่นก็เพรนเรื่องปัญญาทางโลกเสียไม่ใช่ปัญญาเป็นเครื่องแก้กิเลส เพื่อเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ภายในจิตใจเพราะอำนาจแห่งปัญญานี้เป็นเครื่องถอดถอนสิ่งที่ไม่ดีที่ลราบุนรังนั้นออกไปก็ได้ปรากฏขึ้นมาที่ใจเมื่อปัญญาได้ปรากฏขึ้นมากน้อยเรื่องกิเลสค่อยหลุดลอยไปด้วยอำนาของปัญญาก็เห็นได้ชัดปรากฏได้ชัด น, นี่ก็เป็นเครื่องเพิ่มศรัทธาอีกเช่นเดียวกันเพิ่ม กำลังทุกด้านเข้ามาอีกเช่นเดียวกันที่จะมีความขายันหมานเพียนต่อการพิจิตพิจารณาต่อการค้นคว้าต่อการลื้อถอนจีเรศประเภทต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตนท่านค่อยหมดขึ้นไปโดยลํำดับๆที่กล่าวมาทั้งหมดนี้อันเป็นส่วนผลนั้นด้วนแล้วตัง้งแต่เป็นสิ่งที่อจจจัศจรรย์ให้บรรดาท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้มีความกยิมต่ออัตตธรรมคือแดนแห่งความพ้นทุกข์ไปโดยลําดับ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 ไม่มีความ ท, อ ท, อทอ้อถอยภายในจิตใจอเป็นก็เป็นตายก็ตายเราเกิดมากับความตายความตายกับความเป็นมันอยู่ด้วยกันคนเป็นกับคนตายมันอยู่ด้วยกันแยกกันไม่ออกเราจะหลบหลีกป ล, ลีกตัวหนีไปไหนเราจะกลัวให้เสียผลเสียประโยชน์เป็นการขัดขวเทกอนจิตใจตนไปเพื่ออะไระก็เมื่อสิ่งที่กล่ามาเหล่านี้มันอยู่กับตัวของเราเราจะกลัวไปไหน ให้เกิดความกระทบกระเทือนจิตใจดูปกติรู้ตามเรื่องความจริงของมันเราจะไม่เป็นสุขดีหรือพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านรู้ตามกติธรรมดานี้แล้วท่านเป็นสุขไม่มีอะไรมากระทบกระเทืนอน ย, ยุ่ยเย่ก่อควนจิตใจให้กระเพื่อมขอมุนงวเราพิจารณาตามหลักธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านดำเนินมาและท่านสอนไว้นี้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 มวลอนตการอยู่ที่ตรงนี้ที่ทําให้เราโดนกว่ากโดนน้ำไม่หยุดไม่ถอยให้รับความทุกข์ความร้อนอยู่ตลอดมานั้นเพราะความโ ง, งุ่เขาบาปัญญาด้วยอํานาจของกิเลสที่มันปกคลุมความสว่างคือจิตใจหรือ ด, ดวงปัญญาของเรานี้ไว้เท่านั้นเราจึะได้โดนทุกขมม์เสมอเจอกับความทุกข์ร้อนอยู่ตลอดมาเมื่อสติปัญญาของเรามีความสามารถเบิกหรือเปิดเผยสิ่งตรงนี้หรือสิ่งมืดมิดปิดตานี้ออกได้โดยดําดับจนกระทั่งเห็นแจ้งชัด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 ทนี้ปัญญาที่เราพิจารณาทางด้านอธรรมนี้เป็นปัญญาที่หาทางออกจากทุกเป็นปัญญาที่จะรู้เท่าเรื่องของทุกตามตามความจริงของมันเป็นปัญญาที่จะรู้เท่าธาตุเถาขันที่มีอยู่ภายในตัวของเราเป็นปัญญาที่จะสามารถรู้เท่าทันกับความตายที่มันมีอยู่กับตัวของเราเวลานี้ไม่ใช่ปัญญาอย่างอื่นแล้วเป็นปัญญาที่จะสามารถทราบทั้งความคาดความหมายความด้นความดาวความสําคัญนั่นหมายต่างๆที่จะหลอกเราว่าร่างกายจะเป็นอย่างนั้น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 นี่ปัญญาสร้างขึ้นมาก็เป็นป้อมอันหนึ่งหรือเป็นเกราะกำบังอันหนึ้งให้เราได้อยู่ความด้วยความผาสุกในท่ามกลางแห่งความแตกความสลายความตายที่มีอยู่ในธาตุนขั น, นี่ซึ่งทุกชิ้นจะต้องเป็นอย่างนั้นจิตใจของเราไม่ใช่ชิ้นนั้นนั้นพอที่จะสลายตายไปกับสิ่งเหล่านั้นจิตใจของเราเป็นนามธรรมเป็นธรรมชาติที่รู้รู้อยู่ตลอดเวลา เมื่อปัญญาขัดเราสิ่งที่แทรกถึงนิพพานในจิตใจให้เกิดความสํอคัญต่างๆอันจะเกิดกิเลสหรือเกิดความเพิ ข, ขึ้นมาได้แก่ไขหรือถอดถอนอารมดยน้หนักแล้วความรู้ก็เป็นความรู้ที่ล้วนๆที่ไม่มีอะไรเกื้อปนเลยเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์แล้วจะร่มจมไปไหนสิ่งที่ร่มจมทั้งหลายที่เราสําคัญ น, นั้นเขาก็ไม่ร่มจมไปเป็นความคาดต่างหาก ธาตุเป็นธาตุคือดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟแม้อยู่ในร่างกายนี้เขาเป็นธาตุอย่างนั้นอยู่แล้วสลายลงไปเขาก็เป็นธาตุของเขาอย่างนั้นเป็นไปในธาตุเดิมของเขาเนี่ยอันไหนที่ร่วมจมอันไหนที่คิดหายไม่มีอะไรคิดหายไม่มีอะไรร่มจมเป็นเพียงว่าความเปลี่ยนสภาพจากส่วนผสมที่เราว่าเป็นเราเป็นของเรานี้ออกเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นธาตุเดิมของเขาเท่านั้นปัญญาได้อย่างทราบชัดทีนี้แล้วจิตใจของเราก็เป็นเรา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 ต่างอันก็ต่างอยู่ตามขอบเขตในหลักธรรมชาติของตนนั่นแหละท่านเียกว่าโลกที่มีสุขะโตคือมีอยู่ภายในขันของเราขันก็เป็นขันใจก็เป็นใจคือมีอยู่ภายในขันภายในใจของเราต่างอันต่างกินต่างอันต่างเป็นสุขอยู่โดยลำพังธรรมชาติขตนที่มีความรับรู้คือใจถ้าขันเป็นอะไรก็เป็นไปจิตใจขงเราที่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 สาวกผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงๆท่านทรงสั่งสอนโดยวิธีนี้เพื่อเป็นทางเร่องรัดตัดตรงแนวไปสู่ความพ้นทุกข์โดยไถ่เดียวไม่ต้องมาวกมาเวียนหเสียเวลาเวลาท่านเป็นสอ น, นลูคขมรเลเสนาสนังเป็นต้นให้ไปอยู่ที่นู่นที่นู่นที่นู่นกิเลสมันมันไม่ชอบแต่ธรรมะชอบที่นั่นนั่นแรลเป็นสถานที่ปราบปรามกิเลสทั้งหลายได้ ความขัดข้องขาดเขินความอตดอยากอยากขึ้นโลกทั้งหลายไม่ต้องการพิเลกไม่ต้องการสถานที่นั้นแลเป็นสถานที่ทำต้องการเป็นสถานที่ทำเจริญเจริญในที่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็เจริญในที่เช่นนั้นเป็นพระพุทธเจ้าด้วยในสถานที่เช่นนั้นสาวกทั้งหลายก็เจริญได้ในที่เช่นนั้นพ้นทุกได้ในที่เช่นนั้นการสอนทำแก่ผู้เด็ดดเียวอานฐานที่จะมุ่งความพ้นทุกโดยเถี่ยวจึงสอนให้ไปสู่ในสถานที่เท่านั้นให้บำเพ็ญเช่นนั้นเช่นนั้น เพื่อความหยุดพ้นได้โดยรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลามีลามาเกิดมาตายไม้เอาป่ายช้าที่นั่นที่นี่อยู่ไม่หยุดไม่ถอยจนเป็นเจ้าของอยู่ทั่วโลกทั่วดินแดนว่าจับจองป่าย้านั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านสอนลกูกถ้าควรจะยกให้พ้นทุกข์โดยทีเดียวก็สอนตรงแนวไปอย่างนั้นถ้าผู้ยังไม่สามารถผู้ยังไม่เข้าใจ เขาเหมือนอย่างเป็นเล็กอ่อนอยู่ท่านก็ต้องสอนอีกแบบหนึ่งซึ่งก็เป็นความดีเช่นเดียวกันคือเป็นความดีที่จะสนับสนุนบำรุงส่งเสริมจิตใจให้เลื่อนฐานะขึ้นไปได้โดยลำ ด, ำดำับๆแม้สอนบุคคลคนเดียวกันเบื้องต้นก็สอนมาตั้งแต่พื้นพื้นแล้วค่อยเลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาเช่นเดียวกับเราสอนเด็กท่านมูนชั้นปฐมแล้วก็ ม, มัธยมปริญญาเลื่อยไปเลยแหนในบุคคลคนเดียวกันนั่นแหละแต่สอนต่างเวละกันตามความสามารถของเด็กที่จะรับความรู้วิชาได้ในขั้นนั้นๆ ทัวอาจารย์ก็สอนเลื่อนท่านขึ้นไปโดยลําดับๆจนกระทั่งสุดความสามารถของเด็กของครูที่จะสอนกันนี่ี่ พ, พุทธเจ้าท่าสนสอนโลกท่านก็สอนอย่างนั้นสอนบุคคลคนเดียวนั่นแหละสอนธรรมะพื้นๆต่อไปก็เลื่อนในบุคคลคนนั้นอีกเช่นอนุพี้กถาห้าอย่างนี้ทางศีล เ, เนี่ยข้าสวรรค์เนี่ยข้ามาเลื่อยเรื่อย ๆ, ๆในบุคคลคนเดียวก็ได้ในบุคคลหลายจําพวกก็ได้นี่แล้วฟังก็ได้รับประโยชน์ไปโดยลๆๆๆําดับลําดับจนกระทั่งถึง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 ความเยงใจทั้งพ่อแม่ผู้กปกครองก็มีความเป็นสุดลูกของตนก็ประพฤติตัวดีนี่ชื่อว่านำทุกข์ออกจากครอบครัวนั้นๆโดยลำดับจนกระทั่งพึงนำทุกข์ออกจากผู้บําเพ็ญทั้งหลายอย่างเร า, เราท่านๆตามความสามารถของตนที่จะเหยียบหยิ บ, ย, บยกทุกข์ออกได้ด้วยอำนาจของสติปัญญาใดในความสามารถของตนก็พยายาม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 สามารถที่จะบำเพ็ญคุณงามความดีได้ทุกขั้นทุกปวงเต็มอัตราหรือเต็มตติกําลังความสามารถของตนไปสู่โลกหน้านั้นมันไม่แน่เราจึงไม่ก่อนคาดก่อนหมายเพราะคําว่าทุกนี้มันประกาศกัางวานอยู่ภายในตัวของเราซึ่งเป็นโลกนี้ขันนี้เราคนนี้ไม่ประกาศอยู่ในสถานที่ใดการพิจารณาทางสติปัญญาจึงควรที่พิมาขุดค้นลงในจุดที่สัจธรรมอยู่นี้เพื่อเห็นตามความเป็นจริงของมัน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 พาสติปัญญามีความสมบูรณ์เต็มที่แล้วความจิงทั้นหลาานี้จะ ป, ประกาศกงวานขึ้นกับปัญญาทั้งหมดหายสงสัยในโลกทั้งสามเพราะปัญญาเป็นเพื่องประกาศรู้ตัวภายในของกิจเองนี่เป็นสิ่งที่แน่นอนมากท่านจึงสอนว่าอัเชวะกิจจะมาตัตปังควรทำความภาคเพียร เป็นประโยชน์แก่ตนเสียในวันนี้โกชัญญามารนั ง, นงสุเอใครจะทราบว่าความตายจะมีมาในเวลาใดนะฮิโนซั่งนารัาานเตนะมหาเชนีนะมักินาเรื่องความตายนี่เป็นเสนาอันใหญ่โตมากไม่มีใครจะรักค้านต้านทานได้นะท่านว่าอย่างนั้นเป็นความจริงย่นล้วนใครเป็นคนที่สามารถต้านทานความตายได้ในโลกนี้ไม่มีปัจฉะเหมือนโลกเขามีไหมไม่มี ชื่อว่ารูปว่ากาว่าหญิมปชาแล้วเป็นกองปัดช้าทั้งนั้นออไม่ใช่กองอำนาจแต่เป็นกองปัดชา้าไม่มีความอำนาจที่จะที่จะไม่ตายได้ี่เ <ừ, S 2> <ừ, S 1> พราะฉะนั้นความเพียรใดที่เราควรจะได้ในวันนี้ในขณะ น, นี้เรานี้เลื่อนผนวชเฉยธรรันนดนี้สร้างเสฉยให้พอกุศลธรรมมาดังที่เคยสอนแล้วสอนขึ้นให้ใจนี้มีความเฉลียวฉลาดทันกับเหตุการณ์ที่มีอยู่รอบตัวของเรา เมื่อทันนี้แล้วรุษราธรรมาก็ไม่มีปัญหาอะไรกับใครสร้างให้พอดื่มให้พอรุษราพอตัวแล้วดื่มทั้งก็พอพอใจอยู่เป็นสุขอยู่นั้นก็สุขยิ้มตัวอิ่มใจไม่มีความหิหวโหยกับอะไรทั้งสิ้นหมดความหิหวโหยทัานว่านิดช้าโตไปนิดบุโตเป็นผู้ดับรอบหมดแล้วบรรดาที่เป็นข้าศึกซึ่งมีอยู่รอบใจ ปริญญาผ่านเลยอ่ะคือหมาเขามาดับรอบหมดไม่มีสิ่งใดเหลือวิจฉาโตปริบุโตวความหิวโหวยอะไรทั้งหมดซึ่งเกิดเพราะหน้าของกิเหลียดมากน้อยสิ้นไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือเยนิจฉาโตปริบุโตดับไปหมดขึ้นชัวร์ความหิว่ความหิวความกระหายซึ่งเป็นสิ่งรับควรทั้งส่วนร่างกายทั้งส่วนจิตใจมันดับไปแล้วแต่พาะอย่างยิ่งคือทางจิตใจดับไปแล้ว ความทุกข์จะมีมาจากที่ไหนไม่มีโลกไหนก็ไม่มีทุกข์ธาตุพานธจิตไม่มีทุกข์แล้วไม่มีโลกไหนจะเป็นทุกข์นี่หมายถึงว่าไม่มีโลกไหนจะมาทําำิีกของเราให้เป็นทุกข์ได้นอกจากกิเลสเท่านั้นที่ทำความทุกข์ให้แก่สัตว์โลกมีอยู่ภายในใจของสัตว์โลกนี่แหละมีเท่านี้แก้ตรงนี้แล้วหาสงสัยทั้งหมดไม่ต้องไปเที่ยวดูโลกนั้นโลกนี้ก็ได้ทราบอยู่ภายในจิตใจของตอนเองนี่เป็นสิ่งที่ประจักษ์ธรรมะท่านสอนลรงที่นี่นี่แหละทำที่ว่า เป็นเครื่องแจ้ทุกให้สัตว์รื้อถอดถอนสัตว์ทุกให้สัตว์โลกโดยร์ไถเดียวนั้นประมวลมาแล้วถอดถอนที่จิตใจนี้ให้หมดเบอร์สิ้นเชิงก็ได้ด้วยอํานาจแห่งธรรมนี้เท่านั้นไม่มีอํานาจใดที่จะเป็นเครื่องศักดิ์สิทธิ์เศษสามารถที่จะถอดถอนกิเลสออกจากใจสัตว์โลกได้โดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกับธรรมของพระพุทธเจ้าฉะนั้นขอให้มีความตั้หนักใจว่าธรรมนี้เท่านั้นเป็นเครื่องที่จะถอดถอนกิเลสกองทุตตนาออกจากเราได้ ตั้งแต่ส่วนยอยจนถึงส่วนใหญ่จนถึงถึงส่วนละเอียดสุดคือภายในจิตใจที่เรียกว่าอาวิชชา่วนเลี้ยดธรรทั้งนั้นถึงเครื่องหือถอนหื้อถอนมาโดยลําดับลําดาตั้งแต่คารวาสเยื่อเอือนมาถึงนักบวชนักปฏิบัติกําจัดมาโดยลําดับลําดับจนกระทั่งถึงการดับชนิดฉาโตตัวนี้บูโตอย่างที่กล่าวมาเป็นความยติธรามเพียงเท่านี้